ตอนที่198กลยุทธ์เสียมให้แตกคอหยวนเย็ยนเย็ยนคิดไม่ผิดจริงๆแค่อ้อนคุณปู่คุณย่าสักหน่อยอย่าว่าแต่เงิน500หยวนเลยต่อให้ขอ 1,000 หยวนก็ได้มาไว้ในมือได้ง่ายๆก่อนหน้านี้หยวนเย็ยนเย็ยนอยู่ในสถานะที่ถูกให้ความสำคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงภายในบ้านแม้จะเป็นหลานสาวเพียงคนเดียวแต่เธอก็ไม่ค่อยเป็นที่โปรดปรานของคุณปู่คุณย่าเท่าไรนัก ทว่าหลังจากที่พี่ชายคนโตกลับมาเธอก็พลอยได้รับความรักความเอ็นดูในฐานะน้องสาวไปด้วยจนความสาคัญพุ่งแสงหน้าลูกพี่ลูกน้องชายทั้ง3าคนของบ้านอสอไปในทันทีทันทีที่ได้รับเงินมาหยวนเยียนก็ตรงดิ่งไปยังห้างสรรพสินค้าเพื่อเตรียมซื้อของขวัญเธอไม่รู้ว่าเหวินโม่ชอบอะไรจึงคิดว่าจะซื้อเสื้อโค้ตสีดําสักตัวเพระจําได้ว่าพี่ชายของเธอใส่แล้วดูหล่อมากอีกอย่างการส่งของขวัญเป็นเสื้อผ้าจะทําให้รู้สึกถึงความสนิทสนมเป็นพิเศษ เธอเลือกแล้วเลือดอีกจนในที่สุดก็ถูกใจแบบที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปีนี้ในฤดูการนี้ร้านอื่นๆยังไม่มีเสื้อโคต้ตสาหรับฤดูใบไม้ร่วงวางขายเลยหยวนเย็นเย็นรู้สึกว่าเสื้อคลุมแบบอื่นดูไม่มีราคาเท่าเสื้อโคต้ตและต้องเป็นเสื้อผ้าระดับราคานี้เท่านั้นถึงจะคู่ควรแก่การมอบให้เป็นของขวัญราคาแปดร้อยแปดบแปดหยวนแม้แต่ตัวเลขก็ยังเป็นมงคลสุดๆแซงของคุณต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยแค่ที่มีแฟนสาวซื้อเสื้อโค้ต ร, ราคาแพงขนาดนี้ให้ พนักงานขายกล่าวชมเชยขณะเตรียมห่อเสื้อให้หยวนเยียนเยียนเขาใส่แล้วต้องดูดีแน่นอนค่ะหยวนเยียนเยียนรู้สึกหวานชื่นในใจโดยเฉพาะเมื่อได้ยินพนักงานขายเรียกหวนโม่ว่าแฟนเธอก็ยิ่งพอใจมากขึ้นไปอีกคุณตาถึงมากเลยค่ะก็พอได้ค่ะสวัสดีค้ารบกวนช่วยหยิบกางเกงยืนบนตู้ลงมาให้ดูหน่อยได้ไหมคะระหว่างนั้นมีลูกค้าคนอื่นเดินเข้ามาในร้านพนักงานขายจึงรีบพิชกเงินและหอ่อเสื้อโค้ทให้หยวนเยียนเยียนก่อน แค่รอสักครู่นะคะคุณลูกค้าลองดูแบบอื่นในร้านไปก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจัดการให้ลูกค้าท่านนี้เสร็จแล้วจะรีบไปหาค่ะเหยียนเหยียนจูจูหยวนเหยียนเ ห, หยียนก็ได้ยินคนเรียกชื่อเธอจึงหันไปมองตามสัญชาตญาณพรางพินิจพิจารณาผู้หญิงคนนั้นอย่างละเอียดแต่เธอก็ไม่รู้จักคุณเป็นใครคะฉันคือเซียมิวอวิ๋งชะ ง, งักคําพูดที่ติดอยู่ที่ริมฝีปากและยิ้มออกมาฉันเป็นเพื่อนร่วมมหาวิทยายลัยของพี่ชายเธอจ้าเธอคงไม่เคยเห็นฉันหรอก แต่ฉันเคยได้ยินพี่ชายเธอพูดถึงเธออยู่นั่นนี่ตั้งใจจะซื้อเสื้อผ้าให้พี่ชายเหรอเปล่าแค่จะซื้อให้แฟนเย็นเย็ยนเย็ยนแก้ให้ถูกต้องจริงเหรอเนี่ยอายุแค่นี้ก็มีแฟนแล้วเหรอเซียมิวอวินเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจก่อนจะหัวเราะออกมาเธอมีแฟนเร็วกว่าพี่ชายเธออีกนั่นเนี่ยดูถ้าคนบ้านเธอจะชอบมีแฟนกันเร็วเร็สินะก็นะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายดีๆหรือผู้หญิงดีๆก็มักจะถูกจองตัวไว้ล่วงหน้าเสมอ ลืมคําพูดนี้ของคุณก็ถูกค่ถ้าเจอคนที่ใช้ก็ต้องรีบลงมือก่อนไม่อย่างนั้นถ้าช้าไปจะเสียเปรียบเอาได้หยุนเย็นเย็นคุยกับเธอไปเรื่อยเปื่อยแววตาของเซียลเมียววินวูบไหวเล็กน้อยเย็นเย็นจริงๆแล้วอายุอย่างพี่ชายเธอตอนนี้ถือว่าแต่งงานเร็วไปหน่อยนะตัวเขาเองก็เก่งกาจขนาดนี้แต่กลับแต่งงานเร็วแบบนี้ไม่ใช่ว่าถูกใครหลอกเอาหรอกเหรอยๆๆหยุนเย็นเย็นขมวดคิ้วไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายต้องการจะสื่ออะไรอะไรนะ เอาคืออย่างนี้เจ้าฉันก็แค่พูดไปด้วยเปลือยเธอไม่ต้องเก็บไปใส่ใจหลอกเสือมีวอว้วอวิงที่หยิบตาพลางขยับเข้าไปใกล้หยวนเยียนเย็ยนอย่างมีรับลมคมในแล้วลดเสียงต่าลงฉันรู้จักแฟนของพี่ชายเธอได้ยินมาว่าช่วงที่คบกับพี่ชายเธอใหญ่นั่นใช้เล่ห์เหลี่ยมสารพัดเพื่อจะจับพี่ชายเธอให้ได้ผู้หญิงคนนั้นไม่ธรรมดาเลยนะฉันระงวลมาตลอดว่าพี่ชายเธอจะถูกหลอกหรือเปล่าเขาเป็นคนในเหตุการณ์อาจจะไม่รู้ตัวแต่เธอเป็นน้องสาวน่าจะพอมองออกบ้างนะ หยวนเย็ยนเย็ยนจ้องหน้าเซียมิเอะอวิ๋นอยู่นานก่อนจะแค่นหัวเราะออกมาอย่างเย็นชาที่คุณมาพูดกับฉันแบบนี้พระอยากจะเสียมให้เราแตกคอกันใช่ไหมคะเซียมีเยะ อ, อวิ๋นแซงทำเป็นไม่รู้เรื่องเปล่าเนอะฉันจะไปเสียมให้แตกคอกันได้ยังไงฉันพูดจริงๆนะเพราะยังไงฉันกับพี่ชายเธอก็เคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันเซียมีเยะ อ, อวิ๋นใช่ไหมคะหยวนเย็ยนเย็ยนถอยหลังไปสองสาเก้าเพื่อเว้นระยะห่างฉันขอบอ้อคุณให้ชัดเจนเลยนะถึงแม้บางคำพูดฉันจะไม่อยากพูด แต่ก็ต้องพูดความจริงการแต่งงานของพวกเขาสองคนนะพี่ชายฉันเป็นฝ่ายเร่งรีบเองพี่ชายฉันแทบจะรอไม่ไหวที่จะตกแต่งพี่สะใภ้เข้าบ้านไม่มีเรื่องที่หลีหวานมาอ่อยพี่ชายฉันเลยสักนิดเย็นเย็นอย่าเพิ่งโกรธสิจะฉันก็แค่ฟังคนอื่นเขาพูดมาถ้าเธอไม่อยากฟังวันหลังฉันก็จะไม่พูดอีกแล้ววันหลังเราคงไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกคุณไม่ต้องมาพูดเรื่องวันหลังกับฉันหรอกค่ะเย็นเย็นเย็นตัดความสัมพันธ์กับเซียเมียวอวินอีกครั้ง ผู้หญิงคนนี้จงใจมาหาเรื่องชัดๆเห็นเธอเป็นคนโง่หรือไงหยวนเยียนเยียนกัดฟันกรอดนั่นคนสารเลวความเจ้าเล่อมันแทบจะเขียนแปะไว้บนหน้าอยู่แล้วร้อยทั้งร้อยคงเป็นพวกดอกทอเน่าที่แอบชอบพี่ชายเธอแล้วจงใจมาเป่าหูเธอเพื่อสร้างเรื่องวุ่นวายหยวนเยียนเยียนหยิบเสื้อผ้าแล้วเดินจากไปทันทีโดยไม่แม้แต่จะชายตามองเสียวเมียวอวินอีกเสียวเมียวอวิน สวัสดีค้าเมื่อสักครูคุณผู้หญิงอยากดูกันเกงยืนตัวไหนนะคะไม่ดูแล้วน้ำเสียงของเซียมิยเอะอวิ๋งเงนเยียบเธอเดินออกไปทันทีเดิมทีเธอไม่ได้ตั้งใจมาซื้อเสื้อผ้าอยู่แล้วเพียงแต่เมื่อกี้บังเอิญเจอหยวนเยียนเยียนเข้าพอดีเลยกะจะใช้ประโยชน์เสียหน่อยใครจะไปคิดว่าเยเด็กนี่จะมีสมองอยู่บ้างเมื่อหยวนเยียนเยียนซื้อเสื้อผ้าเสร็จเธอก็รีบนําไปส่งให้หยวนโม่ทันทีด้วยความใส่ใจเธอจึงอยากให้เขาลองใส่ดูว่าพอดีตัวไหมถ้าไม่พอดีจะได้รีบเอาไปเปลี่ยนไซสท้้าสพสินนคไดั เหวินโม่ไม่แม้แต่จะรับถุงเสื้อผ้าไปเหยีนเหยีนขอบใจนะที่จะมรดกเกิดฉันได้แต่ของขวัญ น, น่าไม่ต้องหลอกเอาไปคืนเถอไม่ได้ค่ะซื้อมาแล้วจะเอาไปคืนได้ยังไงคุณลองใส่ดูก่อนสิหยุนเหยีนเหยียนรู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่ยอมรับจึงขยันขยอให้เขารีบใส่คุณใส่เสื้อตัวนี้แล้วต้องหล่อมากแน่ๆก็ได้งี้ยเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่เดียวฉันจะจ่ายเงินคืนให้เธอไม่เอาเงินแค่ฉันบอกแล้วไงว่าซื้อให้เป็นของขวัญจะมาเอาเงินคุณทําไม เยวนเย็นเย็นขมวดคิ้วคุณยังมาโม่อิดออดอยู่เลยถ้าคุณเกรงใจที่จะรับไว้งั้นวันหลังพอถึงวันเกิดฉันคุณค่อยซื้อของขวัญคืนให้ฉันสักชิ้นก็สิ้นเรื่องแล้วจะทําให้มันยุ่งยากทําไมอีกอย่างเงินแค่นี้สําหรับฉันมันไม่ได้มากมายอะไรเลยเงินพวกนี้สําหรับเธอมันอาจจะไม่มากมายอะไรจริงๆแต่นั่นเป็นเงินที่เธอหามาเองหรือเปล่าล่ะเวนโม่มองว่าเธอเป็นคุณหนูประเภทที่แบมือของเงินที่บ้านกินแรงคนอื่นและถูกตามใจจนเสียคนมาตั้งแต่เด็ก เสื้อโค้ตตัวนี้ดูท่าทางราคาไม่ถูกเลยแต่เธอกลับพูดออกมาง่ายๆว่ามันไม่ได้มากมายอะไรไม่ใช่เงินที่ฉันหาเองค่ะเป็นเงินค่าขนมที่ขอมาจากที่บ้านหยวนเยียนเยียนไม่เข้าใจว่ามันต่างกันตรงไหนเยียนเยียนนี่แหละคือเหตุผลที่ฉันไม่อยากคบกับเธอเพราะเราสองคนเป็นคนละประเภทกันตอนนี้เธอยังเด็กเกินไปและทําตัวไร้เดียงสาเกินไปส่วนฉันชอบคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่หรือจะพูดอีกอย่างคือมันไม่เกี่ยวกับอายุหรอก ตอนที่หลีหวานอายุเท่าเธอเธอก็ดูเป็นผู้ใหญ่และรู้ความมากแล้วแน่นอนว่าเหวนโมไม่ได้ตั้งใจจะเปรียบเทียบพวกเธอเขาแค่ต้องการให้หยุนเย็ยนเย็ยนถอดใจและเลิกเสียเวลากับเขาเสียทีเพราะทำไปมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยฉันรู้เข้าว่าฉันสู้พี่สะพายไม่ได้แต่พี่สะพายกับพี่ชายฉันกำลังจะแต่งงานกันเร็วนี้แล้วนะคุณคงไม่ได้คิดจะรอให้พี่สะพายอยากกับพี่ชายฉันหรอกใช่ไหมถ้าคุณคิดแบบนั้นมันก็ดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแน่นอนว่าไม่ใช่อย่างนั้น งั้นก็ถูกแลวไงคะแล้วทำไมคุณถึงยังไม่ยอมรับรักฉันอี